สัสดีก่ะท่านผู้ฟังคะพอถึงเช้าวันเสาร์า ว, วันอาทิตย์รายการธรรมาราพุณภาคพิเศษซึ่งเป็นการสนทนาธรรมระหว่างตัวดิฉันเองกับพระอาจารย์ไพบูุ์อภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนไยโศกตำบนดอนไยโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะ เป็นรูปแบบการดําเนินรายการอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คิดว่าเช้าวันเสาร์นี้ทั้งผู้ฟังทางบ้านตื่นมารับฟังรายการธรรมรับปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คงจะตื่นมาด้วยความสดชื่นนะคะเพราะวันนี้เราก็พบกันเป็นเช้าวันเสาร์ที่9เมษ า, า ย, ยน พุทาชสองพัค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น6กข่าเดือนห้ายังปีขานอยู่นะคะแล้วก็ในประมาณอีกสัปดาห์หน้า น, นี้เราก็จะเข้าสู่ช่วงของวันสงกรานก็เป็นเทศกาลของการเฉลิมฉลองอะไรต่างๆมากมายคิดว่าท่านผู้ฟังทา ง, งบ้านหลายท่านก็คงจะตั้งใจรอคอยกันอยู่เพราะว่าวันสงกรา น, นั้นก็เปรียบเสมือนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรานะคะสิ่งหนึ่งที่ ลจะเกิดขึ้นเสมอๆในช่วงของวันสงการานนั้นเนี่ยเดนคิดว่าอ่าจะแยกออกเป็นอย่างนี้ค่ะสําหรับบรรดาน้องๆวัยรุ่น ทั้งหลายนะคะหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ยังอายุไม่มากก็อาจจะนึกถึงเรื่องสนุกสนานว่าเอ๊ะจะไปเที่ยวที่ไหนดีสงการานี้จะไปเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะอยู่กรุงเทพออยู่แถวอที่ในกรุงเทพมหาคนครมีการเฉลิมฉลองอย่างนี้เป็นต้นแต่สําหรับบรรดาท่านผท้ศาสนิกชนหลายๆท่านรวม ท, ทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านทีเดียวค่ะก็จะนึกถึงเรื่องบุญกุศลอยากจะทําบุญทํากุศลสิ่งหนึ่งที่ทํานะคะก็คือเรื่องของการทําบังสุกุล คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านคงจะเคยได้ยินนะคะและแม้แต่ตัวผู้จัดรายการเองก็เคยไปทําพิธีบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายกับพระที่วัดมาแล้วเพราะว่าเชื่อว่าจะทําให้ชีวิตของเรานั้น น, น่ยดีขึ้นดังนั้นก็เลยอยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในเช้าวันนี้มารับฟังพระอาจารย์ภับุรอภิปุโ น, โนศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาดวัดป่าดอหายสศก ตำบลดอนไฮสุกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้สาขาหรือสนทนาธรรมในเรื่องของการเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการการทําบางสุกุลเนี่ยค่ะว่าแท้ จ, จริงแล้วคืออะไรกันแน่นะคะขอนำท่านฟังมากราบนมำสการพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะใช่อาจารย์พานดึงบางสุกุลว่างไงดีเจ้าค่ะบางสุกุลเนี่ยเป็นภาษาบาลี ต้องต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าสิ่งที่อาจจะมาจะพผู้ต่อไปนี้นะเป็นพุทธวัจนะณ์เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้พาธรรมะคนอื่นพาธรรมเรายกไว้ก่อนใ ค, ใครพาธรรมอะไรเรายกไว้ก่อนเราค่อยพูดถึงสิ่งนั้นทีหลังทีงนี้เราว่าในธรรมวินัยนี้เนี่ยมีพระผู้มีพระภาค เ, เป็นผู้นําเพรา ะ, ะนั้นท่านทําอะไรเราจะสังเกตเราจะคอยดูเราจะเอาข้อมูลนั้นมาให้ทราบให้ได้ฟังกันค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะ อ่าจจะฟังแล้วไม่เคยฟัามาก่อนอา่าก็ให้รับทราบไปก่อนนะก็เป็นความรู้ใหม่นะอันดับแรกอืมอันดับแรกคุณตื่นใจต้องทราบก่อนว่าบางสกุลเนี่ยเป็นภาษาบาลีาค่ะแปลว่าเปื้นนอนฝุ่นของเปื้อนฝุ่นค่ะผ้าบางสกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่เขาไม่ทิง้งไม่ใช้แล้วเอาไปทิ้งแล้วค่ะอ่าอย่างผ้าตามกองขยะอย่างเงี้ยเขาไม่ทิ้งแล้วอย่างผ้าที่เขาใช้ห่อศพเนี่ยเขาใช้แล้วทิ้งเลยทีเดียวทิ้ง ผ้าใหม่ๆนะเอาใช้ห่อศพแล้วเขาไม่ออกมาใช้ต่อแล้วทิ้งเลยอืมผ้าประเภทนั้นคือผ้าบางสกุลนะเรามีเสื้อผ้าที่เราจะต้องการโล่การทิ้งเสื้อผ้าขาเสื้อผ้าเหม็นกลิ่นอับเราจะทิ้งผ้านั้นจะชื่อว่าเป็นผ้าบางสกุลทันทีเจ้าค่ะเพืาอฉนั้นบางสกุลนี่คือผ้าเปื้อนฝุ่นคือของที่ไม่ใช้แล้วใะลักษณะนี้คือบางสกุลนะทีนี้ถามว่าแล้วไอ้การบางสกุลที่เกี่ยวข้องกับ สมณะในธรรมวินัยเนี่ยพระในพุทธศาสนาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการบังสกุลทํำยังไงออืา ก, อการบังสกุลเนี่ยมีอยู่สองสรญญาในยะแรกเนี่ยการบังสกุลเนี่ยเป็นทุตดวงวัดของพระรนะพระบางรูปบางองค์ถือผ้าบังสกุลเป็นวัดวัตรนะคือครอ<า>ปฏิบัติไอ้ผ้าบังสกุลเป็นวัตรลหมายความว่าไงก็หมายความว่า เอาธุดงคขวี้ยก่อนคือข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลสอย่างยิ่งอย่างพระผ้าที่อาตมาห่มอยู่เนี่ยเป็นผ้าใหม่ก็ได้เป็นผ้าเก่าก็ได้ถ้าอาตมาว่าอาตมาจะต้องการใช้ผ้าเก่าเท่านั้นนี่คือผ้าบางสกุลพระที่คุณอื่นไม่ใช้แล้วทําไมทําอย่างนั้นเพราะว่ามันจะได้ขูดเกลากิเลสของเราดีอืเราไม่มีความอยากในผ้าใหม่ะเราเอาผ้าง่ายๆหาง่ายๆคนอื่นพระสึกไปแล้วเราเอามาใช้อย่างนี้เป็นผ้าบางสกุล ค่ะไม่ใช่ว่าต้องตัดเย็บย้อมทออย่างดีเอามาใช้ใหม่อันนี้ก็จะไม่ใช่เพราะฉะนั้นผ้าบางสกุลบางคนบางท่านเนี่ยก็แปลอผ้าหอ่อศพกังโรมาจุลาโรมาจุลานี่ตายตายหนึ่งวันหนึ่งเป็นยีสนะ่สิบสามสิบศพนะเขาจะมีผ้าหอ่อศพอะไรต่างๆแล้วก็ไปขอมาต้มบังแล้วก็มาเย็บเป็นจีวรนี้ก็มีนัคือผ้าที่คนเขาทิ้งแล้วหรือพระรูปอื่นแะใช้ผ้าปืนนี้รู้สึกเก่าท่านจะเปลี่ยน เราไปขอมาใช้ก่อนเรามาใช้ต่ออืมอันนี้นก็ชื่อว่าเป็นผ้าบางสุบุลได้ผ้าที่คนเขาทิ้งแล้วนะเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องกับคำว่าบางสุกุลในธรรมเอนเวในนี้อย่างแรกคือทุตดงงวัิของท่านท่านนั้นเ่ <Okay. S 2> นะท่านสามารถถือผ้าบางสุกุลได้คือผ้าที่ไม่ใช้แล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นผ้าพระบางองค์เนี่ยมันมสมสอา <Okay. S 2> นะมันมัน เป็นผู้มีภาพเศร้าหมองทรงจีวรเศร้าหมองก็มีภิกษุที่เป็นลักษณะนั้นเหมือนกัน่่อามีพระในสมัยพุทธกาลเป็นเอกัตะคะเอกตตะคะคือผู้เลิศในการทรงจีวรเศร้าหมองออืผู<ร>้ทธเศ้ายกย่องน ะ, ะท่านทรงจีวรเศร้าหมองมากๆเลยอย่างนี้นะแต่สิบท่านจะตรงกันข้ามกับสิบท่ท่านทรงนะใช่ป ะ, ะพระ ในกลุ่มนี้จะเป็นพระอาารนันท์ทั้งหมดอ๋อจ้าค่ะอ่าแ ต, แต่เป็นผู้ทรงจีวรเศร้าหมองจ้าะ <Okay. S 2> เราจะไม่สามารถบอกหรอกว่าจีวรใหม่จีวรใหม่จีวรผ้าอะไรเป็นพระดีไม่ดีผูยาจาค่ะ <Okay. S 2> อันนี้คืออันดับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่เกี่ยวกับการบังสุกุลเนี่ยก็คือว่าภิกษุเนี่ยสามารถทําสิ่งที่เรียก ว, ว่าบังสุกุลสัญญาได้แปลว่าอะไรบังสุกุลสัญญาสมมติอราจมาเดินไปเห็นภาพผืนหนึ่งตกอยู่เอ๊ะมันดูเหมือนคนจะไม่ใช่จ้าค่ะ เราก็พิจารณาดูแล้วว่าอันนี้คนทิ้งแล้วแน่นอนเราจะเก็บเนี่ยจะหยิบขึ้นมาเนี่ยนะคุณเตือนใจใแล้วอาจจะถูกเขาโจทย์ว่าคุณเราเป็นขโมยะนะสมมติมีโทราศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งวางอยู่เงี้ยไม่มีคนอยู่เท่านั้นเลยอาจจะมีใครมาวางกำลังดักล่อเราแล้วจะมาโจทย์เราก็ได้เราจะหยิบขึ้นมาเนี่ยคือภิกษุทัหล ย, ยจะไม่แตก่ะเพราะถ้าแตะหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ย มีสิทธิ์ว่าเขาจะมาโจมเราด้วยอบัติบาราชิคุณสมมยของเจ้าค่ะสวยเลยเชค่นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำรร เ, เราก็จะอยู่เฉพาะปัจจัยสี่ที่เราต้องกา ร, ร, รนะถ้าคุณสมท า, านการใช้ผ้าที่ทิ้งแล้วเนี่ยคุณสามารถบังสกุลสัญญาพื้นนั้นได้ค่ะด้วยความเข้าใจว่าผ้าพื้นนี้ทิ้งแล้วเราจึงเอามาเจ้ค่ะเพราะฉะนั้นจิตของเธอผู้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นจิตที่มีบังสกุลสัญญาบังสุกุลสัญญา อ่าคือมีความหมายรู้ว่าอันนี้เป็นของจริงแล้วนะแล้วถึงเอาเราไม่ได้มีความหมายรู้ว่าเราจะหลักจะขโมยค่ะอันนี้คือบางสกุลอันที่สองที่จะเกี่ยวข้องกับพระเจ้ค่ะนะส่วนบางสกุลอันที่สามก็คือว่าเวลาอ่ากุลบุตรหรือว่าอุปสอุบภศิกขาคนไหนเนี่ยมาถวายทานในสงฆ์ค่ะห น, น้าที่ของกุลบุตรกุลธิดาในธรรมะวไนัยนี้นะ S <S คือเขาจะต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วสมมติบิดามารดาเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหน้าที่คุณต้องทํานะคุณต้องไปไหว้บิดามารดาแล้วก็จึงมีวันตรุษไทยวันเชงแมงอะไรพวกนี้นะคือไปทําบุญอุทิศถึงระลึกถึงมารดาบิดาทําบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นเนี่ยให้มารดาบิดาผู้ล่วงลับไปแ้ว่วงลับไปแล้วรรบรรพบริบบต์ของเรารอันนี้ถึงจะถูกถามว่าทานที่ให้กันในครั้งนั้นเนี่ย เรียกว่าทักกีณาฐานนะถ้ามีอะไรที่เป็นผ้าถือว่าก็เป็นผ้าบางสกุลคือทุนจริงหลัก mm hmm. คุณเอาให้วัดเลยจบถึงแม้จะเป็นเสื้อผ้าของบรนพระบุตรตัวเองผ้าที่เอามาห่อของอะไรต่างๆถือว่าให้หมดคเพราะฉะนั mm ้นพระเนี่ยก็จะทําการพิจารณาบางสกุลอถึงมีการชักผ้าบางสกุละอบางคนมีพิธีที่เรียกว่าทำไมต้องเอผ้าไปวางไว้หน้าศพ แล้วให้พระเนี่ยขึ้นไปแล้วก็พูดอ น, นิจจาพระสังฆาราพิธีกรรมนี้ย่อยก่อนนะแต่ทําไมพระจะต้องไปทําอย่างนั้นไปชักผ้ามาแล้วก็ถือผ้ากับกุฏิเจ้าค่ะนะทําไมต้องไปทําหน้าศพไม่มาทําหน้ากุฏิหรือไปทําในโบสถ์ในวิหารก็เพราะว่าเขาผ้าผืนเนี้ยเขามอบให้คนตายเจ้าค่ะพระก็จึงเห็นว่าเอ้าคนนี้ตายไปแล้วอะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของแน่นอนเจาคะเอาไปทําอะไรฉันจะมาทานผ้าที่ทนทิ้งแล้ว ฉันถึงเอาไปการทําอย่างนั้นเรียกว่าบางสกุลสัญญาผ้าที่เกิดขึ้นเรียกว่าผ้าบางสกุลคแรมจึงมีประเพณีการทําบางสกุลและอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้กําหนดน ะ, ะนี่เป็นกิจกรรมของพระที่พระควรจะทำอย่างนี้ชาวบาต้องการทํายังไงต้องกานถวายทานใช่ไหม ค, คุณถวายให้ใครคุณถวายให้ มันตายบิดาอาคุตายไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปเอาพิจารณาบางสกุลได้ <Okay. S 2> ใช่ค่ะแค่นี้เองดังนั้นผ้าที่เอาไปทอดที่หน้าศพนะเจ้าคะก่อนที่จะทําพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือว่าชาปนกิจศพเนี่ยก็ญาติพี่น้องก็จะเอาไปวางด้วยในยะที่ว่าก็คือผ้าที่ศพนั้นหรือท่านผู้ตายเนี่ยเป็นคนถวายคะถูกไหมเจ้าคะไม่ใช่ไม่ใช่เลยเจ้าคะผ้าเนี่ยเป็นผ้าของผู้ตาย เจ้าค่ะเป็นผ้าของผู้ตายอ่าโยงหมายถึงอย่างนั้นนะเป็นผ้าของผู้ตายแต่คนนี้เขาตายไปแล้วเขาไม่สามารถเอาไปใช้ได้เจ้าค่ะเพราผ้าผืนนี้ถือว่าเป็นผ้าไม่มีเจ้าของเจ้าค่ะไม่ก็เลยไปพิจารณาเอามาได้อ่อเจ้าค่ะซึ่งผู้ตายก็จะได้รับบุญกุศลนี้ถูกไหมเจ้าค่ะอผู้ตายจะได้รับบุญกุศลหรือไม่อยู่ที่อยู่ที่เขาอยู่ในภพภูมิที่เขาจะควรจะรับได้หรือไม่ถ้าเขาเป็นเปรตชนิดที่เรียกว่าปรัตถุปะชีวีเปรตเขาจะรับบุญกุศลนี้ได้ แต่ถ้าเขาเป็นเทวดาเป็นอะไรต่างๆถ้าเขาอนุโมทนาเขาจะรับได้เอเขาจะได้บุญที่เกิดใหม่จากการที่เขาอนุโมทนา ű, อย่างที่เราได้คุยไปแล้วอนะ่อทีนี้น <Tes> ถามว่าผ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นผ้าของเขาเองเป็นเสื้อผ้าของเขาเป็นเสื้อผ้าที่เขาเป็นเจ้าคือ <ys. S 2> เป็นเจ้าของอยู่แล้วใช่<ห><อ>แล้วเขาก็ยกทั้งกล่องจะมาเผาให้คนตายไปนั่นแหละค่ะนะแต่พระไปเห็นเฮ้ยผืนนี้มันใช้ได้นะจะเอานะ ก็จะไปบางสกุลสัญญามาเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าให้พระนะหรือให้คนนั้นแต่เป็นของคนนั้นของคนที่ตายแล้วพระจึงไปบังสกุลนี่เป็นเหตุการณ์ที่ถูกต้องเพราะทำกันอย่างนี้มีที่มากันอย่างนี้นี่เองใช่เพื่ะนพิธีกรรมอะไรที่ทำสมัยปัจจุบันเนี้ยอ่ก็ให้ถ้าทำให้ถูกก็ต้องทำอย่างที่อรมาพูดแ่ะอืมเจ้าค่ะค่ะ อันนี้ดีมากเลยเพราะว่าโยมเองก็เพิ่งจะทราบนะเจ้ค่ะว่ามีที่มาอย่างนี้เองแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเพณีที่เราดําเนินการมาอืเจ้าค่ะทีนี้ถามว่าไอ้เรื่องบางสกุลเป็นบางสกุลตายเนี่ยเป็นไงโยมไม่ยอมไปทําเหมือนกันนะไม่มีถ้าเราเราตรวจสอบดูที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยจะไม่มีะก็คือบางสกุลนี่ครบทุกแง่มุมแล้วนะถ้าพูดถึงเรื่องบางสกุลเพราะฉะนั้นถามว่าบางสกุลตายเนี่ยคือเป็นผ้าของคนตายเจ้ค่ะ ทีนีถามว่าบางสกุลเป็นเป็น้าของคนเป็นหรือืปอ่าถามว่ า, าสมมติพระเนี่ย <client. S 2> เดินไปเห็นภาพผืนนี้อยู่ภาพผืนนี้มีเจ้าของหรือไม่เจค่ะแต่ถ้ามีเจ้าของเราไปเอาเราไม่ทำใช่ถ้ามไม่มีเจ้าของเราเราต้องการเราพิจารณาบางสกุลสัญญาได้ค่ะให้หมายรู้ว่าอันนี้เป็นของไม่มีเจ้าของทีนี้ถามว่าของที่คิดว่าจะไม่มีเจ้าของเนี่ยเจ้าของนี่เขายังเป็นหรือตายอยู่ อืมก็ค่ะถ้าตายไปแล้วนี่คือเราเห็นแน่นอนมากคนตายเอาไปใช้ไม่ได้ฉันจะเอาอย่างภิกษุตายเนี่ยนะศึกหรือตายเนผ้าเหลืองเนี่ยบริขารทุกชิ้นเราไปพิจารณาเอามาได้อืมเจ้าค่ะนะบาตรท่านเอารองเท้าฉันจะเอาอืน่ะได้นะแต่ถ้าเป็นระดับครูบาอาจารย์ก็เก็บไว้บูชาได้ก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําเจดีให้ได้นะคะอ่าสมมุติพระทั่วไปนะคุณจะไปเอาจีวรท่านที่ตายไปแล้วเนี่ยได้นะอืมก็ค่ะเพราะฉะนั้นคนไม่ตายเนี่ย ถามว่าอาจจะมาจะไปทราบได้ไงว่าคนนี้เขาจะเอายังเอารวยหรือไม่อืมเจ้าค่ะเจ๊ไหมเจ้าค่ะเออเขาจะไม่ทราบตอนนี้เริ่มเกิดขึ้นมาได้ไงแล้วคะ่ะโยมก็แปลกใจไม่ทราบ <laughs> อันนี้อาจ<า><า>จะเป็นการคิดค้นขึ้นมาใหม่แล้วเจ้าก็คือ <laughs> คือฉันยังไม่ตายสัญญยาสมวายฐานอืมเจ้ค่ะถวายได้เลยเจ้ค่ะเจ๊ไหมถวายได้เลย แล้วทานที่ถวายได้ผลมากเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นการบังสุกุลหรือไม่บังสุกุลเช้ค่ <Okay. S 2> ะทานที่ถวายแล้วได้ผลมากเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเรามีศรัทธาหรือไ <odor> ม่อืมแต่อยู่น <odor> ี้อยู่ที่จิตของเราหนึ่งอยู่ที่จิตของผู้รับสองนะจิตของผู้รับเนี่ยเป็นบุคคลที่เพียพรภาวนาเพื่อะลาาระราคะละราคะโภสะโมหะหรือไม่ <ently S 2> ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโหบุญที่เกิดขึ้นจะดีมากอืมเจ้ค่ะไม่จําเป็นว่าต้องรูปแบบไหนรูปแบบหนึ่งนะเราที่มันสะดวกง่ายแล้วก็เป็นกุศล ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องทำบางสกุลสักอย่างหนึ่งนะปาสกุลเครื่องเป็นเครื่องตายเนาะคุณทาบางสกุลขึ้นเป็นเครื่รอ<ม>งเป็นเครื่องตายแล้วก็ต้องมีพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ด่ากันว่ากันแล้วก็ทําจิตเป็นอกุศลทําไมเธอต้องเตรียมอันนี้ไม่เตรียมอย่างนี้ดอไม่ต้องสีเหลืองนะไม่ใช่สีแดงด่า ก, กันละไม่ถูกละอืมไม่ถูกออกต้อมกมรณะอะไรก็ได้ที่อยู่ในมรณะ ใช่ไหมมีดอกไม้หรือไม่มีดอกไม้โอเคไหมได้ถ้าจิตเป็นกุศลนะะมีทูบได้ไหมได้ทูบจีนได้ไหมไม่ได้ทูบอินเดียก็ได้เหมือนกันอื่คะนะสีแดงสีเขียวได้ทัางนั้นแนะ่ะอยู่ที่ว่าจิตเราเป็นกุศลไหมบุญนี้เราต้องเอาน ะ, ะเพราะว่าถ้ายังเป็นผู้สแสวงบุญอยู่ต้องหาบุญแต่พรอหาบุญแลยคุณจะทําไงให้จิตคุณเป็นบุญอย่าให้มีเรื่องพวก ก, กุศลพวกนี้มาเกี่ยวข้องอนะอ่พิธีกรรมเดืต่างๆเราก็มีพอให้มันเรียบง่าย แล้วก็ให้มันเป็นไปตามธรรมวินยัยอะไรที่พระรูชาบัญญัติเราก็ทำอะไรที่ท่านไม่บัญญัติเราก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นในการทําบางสกุลตรงเนี้ยถ้าเราไปวัดเนี่ยเราก็ให้ระลึกถึงบรรพบุรุษนะระลึกถึงบรรพบรุษอุทิศส่วนกุศลแผ่ความรักความเมตตาไปให้บุคคลเหล่านั้นถ้าท่านอยู่ในภพภูมิที่ท่านไม่สามารถสร้างกุศลบําเพ็ญบุญได้เนี่ยอท่านก็จะรับอ น, นิสง์ ถ้าท่านอยู่ในพบที่สามารถสร้างกุศลบาเพ็ญบุญได้ท่านมาร่วมเหมาดูมอทนาท่านก็จะได้กุศลมี่แต่สิ่งดีน ะ, ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเรื่องอะระเบียบการพิธีการอะไรมากก็ให้เป็นม่า จ, จิตเราเป็นกุศลนะมีการถวายทานเกิดขึ้นผู้รับเป็นภิกษุนียบุคคลเป็นผู้ควรรับทานผู้ให้เป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใสแค่เนี้บุญเกิดทันทงีง่ายๆมากเลยใช่ไหมท้าก็ไม่ต้องมานั่งลําบาก <Okay. S 2> อ่าอ่าแล้วก็จะได้ฟังธรรมเวลาที่เหลืออยู่ควรจะไปทําฟังธรรมนะราลึกถึงมันพระบุตรอย่างนี้เป็นต้นนะ <Okay. S 2> ถ้าไปวัดไปกินไปเที่ยวไปเล่นก็ไม่ถูกแต่ควรไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างนี้ <Okay. S 2> อันนี้คือแง่มุมของบางสกุลที่อ่ครบทั่วหลังอืม ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพุทธวจนะไว้นะคะที่เกี่ยวข้องกับพร ะ, <ช>ะส่วนเรื่องอื่นนะพิธีกรรมใต่างๆาจจะมาไม่พูดถึงคิดว่าคงอก็คือรายการเราเป็นลักษณะว่าเน้นพุทธวจนะใช่ไหแล้วก็จะกล่าวสิ่งที่พระได้ได้ตรัสไว้อย่างนี้เจ้าค่ะส่วนคนอื่นที่นําไปเ อ, อทําเป็นพิธีกรรมที่บางสกุลเป็นบางสกุลตายที่ต้องลงไปนอนในโลงศพแล้วก็มีผ้ามาคลุมจากนั้นก็ เปิดผ้าขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเจ้าค่ะเราจะไม่พูดถึงไม่ยัง้งเถอะคือคือเรื่องนี้บางคนอาจจะมองเป็นการแก้กรรมเจ้าค่านะว่าทําอย่างนี้แล้วจะแก้กรรมอันดัแ บ, บแรกคือหน้าที่ของเราเนี่ยต้องทําบุญอุทิศส่วนบุญสให้บรรพบรุษเราควรทําเจ้าค่ะเรื่องการแก้กรรมพระพุทธเจ้าก็ให้ใช้อริยมรรคมิองแปด ใ, ในการแก้กรรมชุกค่ะ จิตเราเนี่ยเราบอกว่าจิตเราทําไม่ดีทําให้ถูกใช่ไหมคิดผิดคิดใหม่พูดสั่งปากให้พูดไม่ดีสั่งมือให้ไปตีเขาอย่างเงี้ยมันจิตเป็นตัวทําให้เกิดบาปขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องทําความสะอาดจิตสี่เอางั้นเอาผ้ามาชุกทินเนอร์แหกอกแล้วล้างมันไม่ได้น ะ, ค, ะคุณเดินใจใ ค, คุณต้องทําความสะอาดจิตด้วยระบบของจิตะนะหรือคุณบอกว่างั้นลงไปในแม่น้ํานะควักอกออกมาล้างไม่ได้ไม่เหมือนสีรนรชัยนะะเพราะฉะนั้นเนี่ย Uh, เราต้องใช้ระบบของจิตในการทําความสะอาดจิตนะซึ่งตรงนี้พรทชเจ้าได้พูดถึงอริยมรรคมีองแปดถามว่าเราใช้อริยมรรคมีองแปดเนี่ยจิตเราจะสะอาดได้อย่างไรโอ้โ oh ห oh, <Okay. S 1> มันแน่นอน <Okay. S 1> มันคิดเรื่องชั่วนะมีความเห็นที่ถูกต้องอ uh, มีแต่ความรักความเมตตามีจิตเป็นกําลังมีสมาธิมีสติระลึก ร, รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาค <Okay. S 1> มีแต่ดีอย่างเดียว <Okay. S 1> นะพอดีอย่างนี้แล้วเนี่ยความสะอาดความสาุมสกปรกของจิตเนี่ยจะค่อยๆลอกออก ลอกออกใช่คืออนุสสยเนี่ยจะค่อยๆไม่ฝังตัวเข้าไปในจิตมาจิตเราจะสามารถมีกำลังมากขึ้นผ่องใสามากขึ้นมาเถอะคุณเตือในใจสังเกตเห็นได้เลยบางคนเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแหมหน้าตาเด้งเป่าไปถึงหน้าตาผ่องใสเองใช่หแล้วก็คนที่มีความรักความเมตตาเนี่ยเราเข้าไปใกล้เขาเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลย ว่าเออคนนี้มีความอบอ้อมอารีแม่เข้าไปใกล้แล้วสบายใจเจ้าค่ะอันนี้แปล น, นนี้สงส์ที่เราเห็นได้ไดเองไม่จำเป็นต้องมีตาทิพย์ไม่จำเป็นต้องรอชาติหน้าด้วยเจ้าค่ ะ, ะ, คะพิสูจน์ได้เห็นได้เองคือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยต้องอ่าตรวจสอบได้เจ้าค่ะตรวจสอบได้เดี๋ยวนี้เจ้าคะ่ะเพียงถ้าคุณอ่าไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยอย่าพิ่งรับรองอย่าพิ่งขัดขาน นะว่าอันนี้เป็นธรรมะของบุรุษชาหรือเปล่าเป็นพิธีกรรมที่บุรุษชาบัญญัติหรือเปล่าเป็นกระบวนการที่ผู้ชาติให้ทําหรือเปล่าและอะไรที่มันประกอบอยู่ด้วยอกุศลเนี่ยไม่ใช่แน่เพราะฉะนั้นอะไรที่พุรุษชาติเนี่ยจะต้องละเอียดรออ่อนมีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเนี่ยพระวกจะบัญญัติไว้อย่างการทํางานของพระบางอย่างเนี่ยเวลาเราจะมาสวดปฏิโมกเนี่ยหนงเตรียมน้ำสองทาความใสเ่เสนาสนะกวาดกวาดเช็ดถูอเตรียมที่นั่ง ะเอียดบอกไว้หมดอืเจค่ะการเข้าไปบินบาดเดินยังไงเข้าตรงไหนรับบาดยังไงการพูดคุยการเดินบอกไว้หมดทุก ข, ขั้นตอนนะอะไรที่เปิดกว้างก็เปิดกว้างอะไรที่ลงรายเอียดท่านก็จะลงรายะเอียดเอาไว้น ะ, นะในนัยนยะของการทําบางสกลุลเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอาบอกอย่างเนี้ยว่าอาไม่ได้ลงรายเอียดอะไรไว้มากนะอมีแต่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธรรมะอย่างนี้เจเพราะฉะนั้นก็ให้การทําของเราเนี่ย ให้เราลึกถึงบรรพบุรุษนั่นแหละถึงจะดีแล้วก็ในช่วงคนจีนก็จะมีช่วงเช็งเมงที่ผ่านมาใช่อหมอหรือว่าคนไทยก็จะมีตรุษไทยอย่างเงี้ยก็การทําบุญให้เกิดบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญถึงผู้ตายเป็นสิ่งที่ลูกหลานควรทําำนายควรทาก็ทํายังไงก็ได้แหละให้มีเนื้อนาบุญเกิดขึ้นทําบุญกันเนื้อนาบุญ ค, คือคื อ, คอบางคนเนี่ยเอาอาหารไปตั้งไว้ใต้ต้นไม้แล้วบอกว่าขอบูชา ถึงบรรพ บ, บุรุษอ่าหรือว่าบางคนบอกไปตั้งหน้าพระพุทธรูปบอกว่าขอให้ถึงพระพุทธเจ้าจ ะ, ะจะถึงไหมคุณเป็นใจว่าหรือว่าใครจะมาเอาไปตั้งไปตนไม้หรือว่าตั้งหน้าพระพุทธ ร, รูปใครจะมาเอาไปคือพระพุทธรูปเป็นเป็นปูนเป็นอิดแน่ละก็จะไม่มาแล้วล่ะก็จะเป็นสัตว์บริเวณนั้นมากินไปทีนี้ถามว่าบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่ากับบุญที่ถวายให้พระพุทธเจ้าโดยตรงเมื่อ 2,500 ปีกว่าก่อนไหม ยมคิดว่าถ้าเปื่อเราตั้งจิตอย่างมั่นคงว่าจะกราบถวายองค์สมมาสัพพุทธเจ้าด<ม>้วยจิตของเราอะเจ้าค่ะที่ว่าจะอถวายพระองค์ท่านยมคิดว่าถ้าจิตสะอาดแล้วก็ตั้งมั่นจริงๆเนี่ยอ่าเมื่อไม่ว่าเราจะวางไว้ตรงนั้นเนี่ยแล้วจะมีใครมาเอาไปหรือจะอะไรอย่างเงี้ยยมคิดว่าน่าจะถึงนะเจรร้าค่ะคือจิตที่เราระลึกถึงพระรุจ้<ช>เ า, าเนี่ยคือเราระลึกถึงพระรุจรรร้ า, <ช> า, าละจิตเราเป็นบวกละในวิชาทีนั้นนะ แต่ในขณะเดียวกันกาทานที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการถวายให้เนี่ยคือเนื่องจากไม่เป็นทานที่ไม่มีผู้รับจ้บาค่ะแต่เป็นทานที่ไม่มีผู้รับดังนั้นอันนี้สงฆ์ก็จะไม่เท่ากับทานที่มีผู้รับอืมจ้าค่ะทีนี้ผู้รับเป็นใครสมก็ไล่แป้งแต่สัตว์โดยสารคนทุศีนคนมีศีลพระอริยะพระธรรมดาพระอริยเจ้าพระปเจปุจจาระ พ, าพระพุทชาเพราะงั้นการรับเนี่ยก็ต้องมีผู้รับถึงจะเกิดให้สงฆ์เต็มที่ถ้าไม่มีผู้รับก็เท่ากับการให้ทานธรรมดา ที่ไม่มีผู้รับออืเพราะฉะนั้นอตรงเนี้เราจึงต้องเข้าใจว่าคุณเอาอาหารไปตั้งหน้าแทนบูชาอบิดามารดายอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นทานเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการถวายทานที่ไม่มีผู้รับผู้รับคือพ่อแม่คุณใช่ไหมแต่ไม่อยู่แล้วน ะ, ะ, ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้ทําทักษิณาทานทักษิณาทานคือทําทานให้พระ ผู้ควรรับทักษิณาทาน okay. บุญที่เกิดขึ้นอุทิศให้บรนดาบิดาอืที่ล่วงรัไปแล้วบรรพบรุษไม่ใช่เอาไปให้บรรพบรุษนะบรรพบรุษไม่อยู่รับแล้วเอาให้ผู้ที่ควรรับทักษิณาทานแล้วบุญที่เกิดขึ้นอุทิศให้บรรพบรุษอื่คนี่คือกระบวนการที่ทําบุญให้บรรพบุรุษที่ถูกต้องช่คะก็เรียกว่าต้องเวลาเราจะทําบุญถึงบรรพบุรุษคุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยก็คือไปทําบุญกับ อ่าองคหมายถึงพระสงฆ์ผู้ที่ควรับทักน์เจ้าค่ะผู้ผู้ที่ควรรับก็คือพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบนะเจ้าค่ะแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมตามคําสอนหรือพุทธอจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค่ะซึ่งบุญกุศลเกิดขึ้นนะเนี่ยพระสงฆ์ก็จะสวดเพื่อที่จะอุทิศให้กับพ่อแม่บรรพบุรุษของเราก็จะถึงคือหมายความว่าตั้งแต่อุทิศตั้งแต่ให้เนี่ยเจ้าค่ะของลูกออกจากมือเราเนี่ยเราเกิดบุญแล้วนะ เกิดบุญแล้วนะไม่ต้องรอพระสวดเจ้าค่ะอ่าเข้าใจไหมพระสวดไม่สวดอีกเรื่องหนึ่งพระบางทีคอแห้งไม่สวดหรือบางทีแบบคอปวดสวดไม่ได้นะก็สวดหรือไม่สวดไม่เกี่ยวแต่นักวิจาทีนั้นคกน굿คุณเกิดบุญแน่นอนเจ้าค่ะเกิดบุญแล้ทำยังไงเราอุทิศให้ผู้ที่เป็นบัมพัมบุษเราได้เจ้าค่ะอันนี้ถูกต้องอืจะได้บุญมากด้วยเพราะว่าถ้าผู้ที่รับทักษิณาทานเนี่ยเป็นผู้ที่ควรรับทักษิณาทาน <Okay. S 2> จะจะเป็นเป็นเนื้อหนาบุญของโลกอ่ะพุทธเ้าใช้คำนี้ <Okay. S 2> คือไปวางไว้ใต้ต้นไม้ไม่มีผู้รับแน่ละมันก็จะได้บุญไม่เท่ากับมีผู้รับที่เป็นเนื้อหนาบุญเจ้าค่ะอันนี้ทำให้โยมนึกถึงสิ่งที่พระอาจารย์ภัยบุญอภิปโนเคยได้สักขาหรือว่าสนทนาธรรมในรายการธรรมาระ บ, บรุญของเราว่าถ้าเปล่าเราจะทำบุญเนี้ยอ่ะ เมื่อทำคือเรามีจิตกุศลนะเจ้าคะทำบุญกับพระสงฆ์ที่ทรงศีลสะอาดบริสุทธิ์จริงๆนะเจ้าคะอันนี้จะเป็นเหมือนเนื้อนาบุญที่ว่าเหมือนเราเอาข้าวพันธ์ดีไปหว่าลงในที่นาที่ดีข้าวที่เกิดมาก็คือจะแบบบริสุทธิ์ดีมากนะเจ้าค่ะ อันนี้ก็คงจะเป็นแนวคิดสําหรับบรรดาพุทธศาสนิกชนของเราเหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าในการที่จะอ่ะทําบุญหรือว่านับถืออทําอะไรต่างๆในอพระเนี่ยเจ้าค่ะที่เราจะทําบุญเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือไปในที่ที่พระที่ท่านประพฤติปฏิบัติออย่างแท้จริงเรียวกว่าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยก็จะทําให้เราได้บุญกุศลที่ที่ เพียรพร้อมเลยเจ้คะ่ะอันนี้ต้องทําความเข้าใจนิดเดียวว่าอันนี้อาตมาไม่ได้พูดเองเจ้าค่ะอันนี้พระพุทธเจ้าพูดค่ะเดี๋ยวจะหาว่าอาตมานี่ให้เฉพาะบอกว่าให้ทําถวายทานในเฉพาะสมณละในธรรมวิ น, นัยนี้อันนี้พระพุทธเจ้าก็เคยโดนโจทย์มาเหมือนกันค่ะเจ้คะ่ะเราะงั้นก็นี่เป็นสิ่งที่พระุทธเจ้าได้ตรัสไว้เจ้คะ่ะก็เป็นลําดับขั้นตอนอย่างนี้แหละคะ่ะค่ะแล้วถ้าผู้ใดที่มีความตั้งมั่นในพระพุทธธรรประสงค์เนี่ยคุณจะพ้นจากทุกได้ ไม่ว่าจะทุกในระดับปัจจุบันนี้หรือว่าทุกในต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้สําหรับรายการธรรมราบารุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในชาวันเสาร์ที่9เมษายนนี้นะคะข้ามีข่าวดีอีกนิดนึงก่อนที่จะลาจากท่านผู้งทางบ้านไปพร้อมๆกับพระอาจารย์ไพบุญอวิปุโนนั่นก็คือคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านคงจะจําได้นะคะว่ามีอาท่าน ที่เป็นแฟนรายการธรรมาราบุรุณบอกว่าอยากจะรับฟังรายการธรรมารับบรุนของเราย้อนหลังนี่จะทําได้ยังไงวันนั้นพระจานทรย์เพียบบุญท่านก็ได้เมตตาที่ว่าจะมีการทําตัดต่อไลน์ลงซีดีแล้วก็จะเอาขึ้นเว็บไซต์ในส่วนของสถานยุวิบัญชีกระจเสียงแห่งประเทศไทยเองก็ได้ดำเนินการแล้วนะคะดังนั้นก็ขออนุญาตเรียนให้ทุกคนทางบ้านได้ทราบว่าถ้าหากท่านอยากจะรับฟังรายการธรรมาราบุรุณซึ่งมีทุกเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่ง ย้อนหลังโดยเฉพในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ที่ดิฉันจะได้ม า, าสากชารหรือสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เปบตรอพิปุนโนแห่งวัดบาดอนหายโศกนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจัยเสียงแห่งประเทศไทยนะคะฟังรายการย้อนหลังกันได้ที่ nvt.prd.go.th NBT ก็คือ National Broadcasting Services of Thailand นะคะ uh, PRD ก็คือ Public Relations Department ก็คือกรมประชาสัมพันธ์นั่นเอง GO ก็คือ g o v e r n m e n t และก็ t h ก็คือ Thailand อยางอีกครั้งหนึ่งนะคะฝังย้อนหลังได้ที่ NBT. prd.go.th ค่ะสําหรับมนเช้าวันนี้ก็เรามากราบน้ำส ก, การอขอพระคุณแล้วก็กราบลาพระอาจารย์พิบูลปิพุโนโ ล, ลูกศิษย์เอกของเปรพระคุณหลวงพ่อดออรสอาดทิโภาโซท่านเจ้าอาวาสวัดปา ด, ดอนหายโศตมบุญดอนหายโศอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีไปพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ำพส ก, การขอพระคุณเจ้าการเจ้าขา ติดตามรับฟังรายการธรรมร ะ, ระรับปรุณได้ใหม่ในวันพุกนี้เวลาห้านาฬิกาถึงห้นงานาฬิกานาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ